กราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะก็ในช่วงท้ายนะคะเป็นช่วงภาคบ่ายเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศของการสนทนาเพื่อที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจและก็จะได้น้อมนำไปปฏิบัติคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้พูดกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของการเจริญทานการเจริญศีลการเจริญภาวนาในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเราจะทาอย่างไรในแง่มุมนี้นะคะผู้พูดก็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 นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะช่วยตัวเองหมายถึงให้พ้นไปจากวัตทุกข์ได้เลยก็น่าจะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยเจ้าค่ะก็ก็ขอโมธนานะว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเม อ, อพอพูดถึงตรงนี้นะก็ก็ให้นึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องของคำว่าเครื่องบินเครื่องบินที่โดนที่ที่ระเบิด ตอนนั้นนะถ้าจําได้ในที่ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นเราได้แอที่มาตกที่สุพรรณบุรีตรงนั้นเคยมีข่าวอยู่กลางผลปรากฏก็ไม่มีใครเหลือเลยเนี่นึงตายหมดแต่บางบางกรณีเนี่ยถ้าเรามองมองกรณีในลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะณที่ไหนก็แล้วแต่นี่นึงถ้าว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เกิดภาวะตกใจสุดขีดนึง ที่สถานการณ์ลุมแล้วอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จเอามาเป็นคาราวา่าเอามาเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจอพายุเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ในป่าแต่เกิดพายุในลักษณะที่ว่าเป็นพอพัดมาแล้วก็เห็นพวกต้นไม้มันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบมาเป็นแถวเนี่ยนะแล้วก็ขาดเป็นแถวเป็นแถวมาเลยตอนนั้นออามาก็ไอ้หลบก็มันมีเสาก็กอดเสาอยู่เสาหนึ่งพอ <c oughs> ป, ปุ๊บกลับมาเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยนะ หลังคาก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดเนียนะแต่เพราะเออมันมีกระสารกระสอบข้อสารใหญ่ๆกั้นอยู่เนะี่ยแล้วตอนเองก็กอดต้นเสาวไวนะ้เนี่ยคันวรากอดแลรอดได้นี่นะรอดนะแต่ถามว่าตอนนั้นในช่วงวินาทีในลักษณะอย่างนั้นนคิดยังไงถ้าตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลมากใช่ไหมก็เน้นึกถึงคำว่าพระเจ้าพระเจ้ากันนั้นนะองเพราะตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ถ้าหากว่ามองในลักษณะอย่างเนี้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 วันหนึ่งสชั่วโมงคือหนึ่งสิชั่วโมงสรุปก็คือ22ชั่วโมงก็ไปย่อคิดถึงความตายหนึ่งครั้งเอี่สิบชั่วโมงคิดถึงความตายหนึ่งครั้งเมื่อคิดถึงความตายปิดเสร็จก็เริ่มระดมความเพียรระดมความเพียรว่ากิจอันใดที่ยังไม่ได้ทําตามคําสอนของพระศ า, าสดาก็จะระดมทํากิจเหล่านั้นกิจอะไรละ่ะกิจในการกําหนดรอบรู้ใช่ไหมกิจในการละกิจในการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน กิจในการเพียรพยายามเดินตามศีลสมาธิปัญญาถ้ายัางคารวะทั้งหลายกิจในการระดมทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยยีชั่วโมงก็จะคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งส่วนคนที่สองภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กล่าวถวาะพระภิกษุพุทธเจ้าก็ถามภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานวระศาสดาว่ข้าพระองค์นี่สิชั่วโมงสิองชั่วโมงก็คิดระดมถึงมรณสติคือการตายนี่นะ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 เมื่อเสร็จมือหนึ่งก็โอ้โหชีวิตมันมันรอดมาได้เนี่ยช่วกินอาหารไปมื้อหนึ่งเนี่ยดีจริงหนอฉะนั้นต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงแล้วก็ดมความเพียรในกิจในพระศาสนาก็คือระดมความเพียร ใ, ใ, ในการที่จะรอบรู้ทุกลา้าสมุทัยทำนี้โรให้แจ้งแล้วก็อบมรมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องนี่นะแล่วช่วกินอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งก็นานนะถ้าพระในสมัยก่อนก็เป็นชั่วโมง เวลาจะกินอาหารท่านจะพิจารณาด้วยอยู่มั้งแต่ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานว่าสี่คำกินอาหารสี่คำกินเคี้ยวเคี้ยวเพราะท่านจะเคี้ยวนานอยู่แล้วยอย่มั้งเคียเค้ยวเคี้ยก็วิจัยพิจารณาไปเพราะสี่คำเออระลึกได้ก็ระดมความเพียรกิจอันใดที่ยังไม่ได้เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ระดมกิจอันนั้นเพื่อกิจในการละกิจในการกําหนดรู้ในการละในการทำให้แจ้งแล้วก็ในการเจริญส่วนภิกษุรูปหนึ่งบอกว่า ช่วงช่วงเวลากินข้าวคําหนึ่งที่มีชีวิตรอดมาได้นี่ดีนะดีแล้วหนอะฉะนั้นเราจะได้เพียรพยายามในการประกอบกิจในศาสนาของพระชินพรเจ้านี่เนี่ยส่วนอีกรูปหนึ่งข้อถวายรายงานกับพระศ า, าสดาบกข้าพราะองค์นั้นเนี่ยกำหนดดูช่วงหายใจเข้าและหายใจออกว่ามรณะสติเนี่ยที่เราสามารถหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจไม่ขาดได้ดีจริงหนออย่างนั้นเลยก็เล่งระดม ความเพียรในการประกอบกิจในศาสนาในการกําหนดรอบรู้กระแสของชีวิตคือตาหูจมูกเล่นกายใจภายในและกระแสชีวิตของตาหูจมูกเล่นไปในภายนอกซึ่งมันมีความมีโอกาสขาดได้ทุกลมหายใจเข้าออกพอรอบรู้เบ็ดเสร็จก็เพียรในการที่จะละบาปอากศุศลและทำอันลามกไม่ให้เกิดขึ้นในใจเพื่อจะน้อมถึงนิโรธคือการดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วก็ระดมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่อง ระดมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนพระบรมศาสดาก็ทรงบอกว่าภิกษุรูปหนึ่งสองสามสี่เป็นต้นไปตามลำดับบอกว่าที่ยี่สสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรือชั่วกินข้าวสคํานั้นถือว่าประมาทอยู่แต่สารเสรวนว่าข้าวหนึ่งคำกับหายใจเข้าและหายใจออกคิดถึงความตายอย่างต่อเนื่องนี้ชื่อว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็แปลว่าการเป็นอยู่แบบไม่ขาดสติเป็นการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง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 พอคิดอย่างนี้ก็เริ่มระดมกิจในพระศาสนาอันใดที่ยังไม่ทำก็เร่งระดมทีนี้ถ้าถามบอกว่าถ้าชีวิตเป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วไม่ประมาทมัวเมาระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างนี้พอเจอสถานการณ์ใดๆก็ไม่หวั่นไหวพอเห็นสถานการณ์ภายในว่าแผ่นดินไหวภายนอกกับแผ่นดินไหวภายในเช่นผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดิบดูกเนื่อเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ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 ที่ลักษณะแข็งและอ่อนลักษณะหนักและเบาลักษณะที่หยาบและก็เรื่องเก่าซึ่งเป็นธาตุดินเข้าใจสัตสัมภาระปฐวีคือผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเห็นไหมเข้าใจเข้าใจอารามณะปฐวีคือปฐวีกระสินที่บรรดาบุคคลที่เจริญฌานสมาบัตทั้งหลายเขาเอามาเพ่งเอามาพิจารณากันที่ทําให้เกิดฌานสมาบัต และเข้าใจสมมุติปฐวีคือแผ่นดินในโลกใบนี้ทั้งปฐวีทั้งสประการเนี่ยทั้งลักษณะปฐวีทั้งสัสัมภาระปฐวีอรารมณปฐวีและสมมุติปฐวีทั้งหลายดินภายนอกหรือดินภายในมันก็คือดินน่พระบ ร, รมศาสดาบอกว่าเธอจงรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาณชอบว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราให้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า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 ถ้าสิวินาทีที่โยมจะมีเวลามีลมหายใจต่ออยู่ในโลกนี้จริงๆโดยที่ไม่ได้อ่า อ, อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้อนอย่างเข้มข้นพอที่จะเอาตัวรอดนะคะพระฉานารยจะให้กรรมฐานอะไรพวกเราคารวาดไว้ไหมคะถ้าจําเป็นต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนจริงถ้าถามว่าถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ย อันนี้ลำบากไหมโยมว่าลําบากไม่ลําบากคือไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยนี่นก็ลําบากแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าชาวพุทธไม่ไม่แข็งแรงในคุณของพระราธนาตรายัยถ้าถามบ อ, อกว่าแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องเตือนตัวเองอย่างนี้นะว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนเวลาไปต้องบอกลูกบอกหลานนีต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่จะต้องไ ป, ไปเผชิญหน้ากับพญามัจุราชซึ่งมันต้องเจอแน่นอนเนี่ยย้ายพญามัจุราชก็คือความตายเนี่ย ต้องถามลูกทีถามหลานทีถามญาติมิตรทีว่าเมื่อไปประเชิญหน้ากับพญามัจจุราชแล้วเนี่ยถามออกว่าจะตั้งท่าทีและจะคิดยังไงจะคิดยังไงจะ อ, อะไรไปสู้กับเขาเคยถามตัวเองัหมซึ่งเราจะต้องเดินไปสู้ไปถึงถึงตรงนั้นจริงๆไงแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเราจะ อ, าอะไรไปสู้กับเขาเอาอะไรดีมันนึกไม่ออกอะ ถ้าสวดมนต์ยาวๆก็สวดไม่ออกอย่าเตมตรงนี้แหละถึงบอกว่าที่สวดจริงๆจะต้องไปจากการเตรียมตัวจริงๆถึงบอกว่าวันนี้ต้องถามดูที่ว่าพระรัตนตรัยเนี่ยประทับอยู่ในใจอยังคุณของพุทธเจ้านั้นตรงนี้ก็คือต้องระดมและว่าวันหนึ่งถามตัวเองที่บอกว่าพอประสบปัญหาเนี่ยคนที่เราคิดถึงคนแรกน่ยคือใครใช่พระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรตอเนี้ย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 สวดมนต์คำว่าพุธทธังสะระนังกฉามีธรรมังสะระนังกฉามีสังขังสะระนังกฉามียังไปสุคติได้ลมให้ใจขาดฉะนั้นถ้าบอกว่าคิดอะไรก็ไม่ออกเลยเนี่ยก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้แปลว่าแบบประเภทที่ทํายังไงก็คิดอะไรไม่ออกก็ยังไงต้องตายแน่ๆใช่ไหมก็นั่นแหละอยากคิดเรื่องอื่นน้อมจิตสลับเรื่องอื่นให้หมดแล้วก็น้อมก็ถึงพระรัตนตรัยนั่นเง <Okay. S 2> ก็คือพระพุทธเจ้า อันนี้แบบประเภทที่หาข้อมูลก็ไม่ได้ตั้งตั้งที่บอกข้อมูลมาตามลําดับแล้วเนี่ยนะเพราะจริงๆก็ให้เตรียมตัวก่อนตายใช่ไหม<ช>อันนี้ไปเตรียมตัวก่อนจะตายหนาทีอย่างเงี้ย<ช>ก็มีแต่ร้องเรียกพระพุทธเจ้าเดินั้นอย่าไปร้องเรียกแม่อย่าไปร้องเรียกพ่อซึ่งที่สุดจริงๆพ่อและแม่ก็ช่วยไม่ได้นั้นเรากลับไปก็ต้องบอกลูกว่าเนี่ยอย่าเรียกแม่บ่อยได้ไหมให้เรียกออกเป็นพระพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมเยอะไหมอุทานแต่ละครั้งก็เรียกพ่อเรียกแม่อยู่เรื่อย เรียกคนที่เกี่ยวข้องอยู่เลยเรียกพระพุทธเจ้าบ่อยๆได้ไหมให้จิตคุ้นเคยกับพระนามของพระศ า, าสดาเนี่ยเละเจ้าค่ะก็เป็นข้อมูลที่ดียิ่งค่ะขอให้พวกเราน้อมไว้นะคะว่าอีกสิบวินเนี่ยเราจะตายแล้วเราจะได้เตือนใจตัวเองทุกครั้งอะคะ่ะว่าให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเราจะมีพระบรมศาสดา คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะให้นึกไว้เลยค่ะ10วสิบวิอาจจะตายแล้วนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยคนหนึ่งที่เราได้ย้ำเตือนกันแล้วก็เป็นประโยคที่พระคุณเจ้าได้กรุณาแนะนำจากภาพเมื่อสักครู่นะคะเป็นภาพที่สถานที่เลิงลมแห่งหนึ่งนะคะกำลังมีความสุขสนุกสนานร่าเริงอยู่เพียงแต่ภายใน ส0วิยีวิอย่างที่ผู้พูดยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะกระทําอะไรใดๆได้เลยนะคะจบชีวิตลงอยู่ในสถานเริงรมนั้นนะคะตอนนี้ค่ะเรากลัวแล้วละ่ะค่ะสังสาร ว, วัตเราก็กลัวแล้วเหตุเพศภัยต่างๆที่ยกประเด็นมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความหวาดกลัวกับการเวียนเกิดเวียนตายเช่นแล้วเกินเอาละค่ะเราจะเดินถือกระเป๋าเข้าวัดกันดีกว่า เราลอง เ, อาเอาขาดูภาพตรงนี้นิดหนึ่งไปยอมสังเกตภาพนี้ไหมยอมเชื่อไหมว่า